คำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอ <sk ar> ให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหตุค oh ุรูปัชชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่ครูอุปัชชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพเพเทวตางโหตุ u, สุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงส e ํงาเร็จแก่เท ว, วดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพะเป ต, ตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอเปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพภเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตา น, งนตตางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข